เน่มาขึ้นข้อความในอัถกถาพุทธวงศ์นะนะเรื่องพันนาสุมเมศกันเนี่ยนะเกี่ยวกับเรื่องท่านสุมเมศบัณฑิตในหน้า162ข้อความที่พันนายกย่องกล่าวถึงข้อความเมื่อสอสงไขยแสนกับเนี่ยนะที่สุดถอยหลังนับแต่วันที่พระองค์แสดงพุทธวงศ์เนี่ยนะสี่อสงไขยแสนกับมีเมืองเมืองหนึ่งชื่อว่าอมรวดี เป็นเมืองที่งามน่าดูน่ารื่นรมทีนี้เขามีการสงสัยตั้งว่าเอ๊ะแล้วพระสูตรนี้ที่พระองค์ตรัสขึ้นมาเนี่ยตรัสพุทธวงศ์ขึ้นมาเนี่ยมีอะไรเป็นเหตุตั้งให้เกิดพระสูตรนี้แสดงขึ้นเพราะว่าบางสูตรเกิดจากอัธยาศัยของพระพุทธเจ้าบางสูตรเกิดจากอัธยาศัยของผู้ฝังทั้งหลายบางสูตรเกิดจากการถามบางสูตรมีเรื่องราวมีเหตุการณ์เกิดขึ้น พระองค์ก็เลยแสดงธรรมทวนเองนะว่าพระสูตรเนี่ยนะโดยมากเนี่ยมีเหตุให้เกิดอยู่สอย่างแค่นี้แหละหนึ่งอัธยาศัยของพระพุทธเจ้าเองพระองค์อยากจะพูดเรื่องเนี่ยมีอยู่อย่างอย่างเช่นพวกกลุ่มมักกลุ่มมักกลุ่มโพดชงกลุ่มคุณธรรมโพธิปัจจยธรรมนะส่วนหนึ่งเลยเกิดจากอัธยาศัยของพระองค์เองพระองค์จึงแสดงพวกมักโพดโพดชงพวกคุณธรรมทั้งหลายแหล่เนี่ยเพราะว่า คุณธรรมเหล่านั้นดีมีประโยชน์แต่คนทั้งหลายไม่ค่อยเห็นไม่รู้จักสาวกของพระองค์ไม่ทราบซึ่งไม่ค่อยมั่นใจในคุณธรรมเหล่านั้นอัธยาศัยของพระองค์ก็เลยว่าเห็นว่าคุณธรรมเหล่านี้เป็นคุณธรรมที่ดีมีประโยชน์มีคุณค่าพระองค์ก็เลยเอาคุณธรรมเหล่านั้นออกมาแสดงเพราะอัธยาศัยของพระองค์นั้นพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่มีอัธยาศัยในโพธิปัจจัยธรรมนั่นเอง หรือยกตัวอย่างเช่นบอกว่าพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้อื่นไม่ได้เชื้อเชิญแล้วพระองค์ตรัสโดยอัธยาศัยของพระองค์เองเช่นอากังขยสูตรวัฏสูตรนะนะอากังขยสูตรก็สูตรที่าสูตรที่เป็นเหตุให้สมความปรารถนานก็คือศีลสมาธิวิปัสสนานั่นเองนว่าผู้ที่สมบูรณ์ด้วยศีลสมาธิวิปัสสนานี่ปรารถนาสิ่งใดก็สาเร็จสมความ ปรารถนาแม้กระทั่งปรารถนาเป็นที่รักเป็นที่เคารพแห่งเพื่อนพรหมจาร์จนถึงปรารถนาอรหัตตมรักอรหัตตผลก็สำเร็จนะอภินยาเป็นต้นเนี่ยหายห่วงเลยอันนี้เป็นอัธยาศัยของพระองค์เนื่องจากพระองค์เป็นผู้ที่มีอัธยาศัยในศีล <See? S 1> บางสูตรเนี่ยแสดงถึงอัธยาพูดถึงสมาธิเนี่ยนะพะพระพองค์มีอัธยาศัยใน สมาธิบางสูตรกล่าวถึงปัญญาเพราะพระองค์มีอัธยาศัยในปัญญาเนี่ยนะพระองค์นี้มีอัธยาศัยในการเจริญคุณธรรมทั้งหลายพระองค์จึงแสดงคุณธรรมเหล่านั้นตามอัธยาศัยของพระองค์ดังที่กล่าวไปว่าสติปัฏฐานเนี่ยหลายสูตรพระองค์แสดงตามอัธยาศัยของพระองค์เองเพราะพระองค์มีอัธยาศัยในการเจริญสติปัฏฐานมีอัธยาศัยในการเจริญสัมมปาปัฏฐานมีอัธยาศัยในการเจริญอิทธิบาทมีอัธยาศัยในการเจริญ อินทรีย์พระพุทธชงองค์มรรคหรือคุณธรรมแต่ละอย่างแต่ละอย่างเนี่ยที่เป็นคุณธรรมทั้งหลายพระองค์มีอัธยาศาัยอย่างนั้นก็เอาออกมาเล่าเอาออกมาพูดว่าเออเรื่องนี้มันเป็นอย่างนี้นะเรื่องนี้เป็นอย่างนี้เหมือนกับว่าคนที่มีความในใจมีความในใจก็เอาความในใจนี้ออกมาเล่าฉันใดพระพุทธเจ้าก็มีข้อความที่มีอยู่ในใจของพระ อ, องค์คือคุณธรรมพระ อ, องค์ก็เอาออกมาเปิดเผยเอาออกมาประกาศออกมาแสดง อันนี้เขาเรียกว่าเกิดเนื่องจากอัธยาศัยของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะที่จริงถ้าเราเข้าใจว่าพระสูตรเกิดจากอะไรเป็นเหตุให้แสดงพระสูตรออกมาเนี่ยเราจะเข้าใจลักษณะพระธรรมได้มากยิ่งขึ้นว่าปริยัติที่พระองค์แสดงแต่ละสูตรนั้นต้องการอะไรเนี่ยนะเกิดจากใครใครเป็ น, เ ป, นเป็นต้นเหตุให้แสดงธรรมอันนี้ขึ้นมาอย่างที่สองเป็นสูตรที่เกิดจาก อัธยาศัยของผู้อื่นผู้อื่นเป็นผู้กําหนดให้แสะดงอ่ะนะเช่นพระสูตรเหล่าใดอันพระพุทธเจ้าตรวจดูอัธยาศัยอัธยาศัยก็คือเช่นเนคข ม, มัธยาศัยอะโลพัตยาศัยอะโมหัตยาศัยเป็นต้นอ่ะหรือเขามีขันติขันติไนะขันติยาเนี่ยนะขันติตัวนี้แปลว่าปัญญาก็ได้หรือความอดทนก็ได้หรือใจของเขาเนี่ย และความเป็นผู้จะตรัสรู้ของชนเหล่าอื่นเขาเรียกว่าตรวจดูอัธยาศัยอนุสัยอธิมุติจริยาของเขาเหล่านั้นทั้งหมดว่ายกตัวอย่างใครพระราหุลธรรมะทั้งหลายที่ช่วยบ่มวิมุตของราหุลเนี่ยบัดนี้แก่กล้าแล้วคือพระราหุลเนี่ยบ่มคุณธรรมเพื่อความเป็นพระอรหันต์ตอนเนี้แก่กล้าแล้วเพราะอะไรเพราะพระราหุลเนี่ยได้คบกัลยาณมิตรได้ฟังอันนะ ได้ฟังคาถาวัตถุเป็นต้นหรือพระราหูนเนี่ยเจริญศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาได้อย่างเจริญไพบูรณ์แล้วพระราหุูได้ครบกัละยาณมิตรได้ฟังคาถาวัตถุสิบพระราหุูเป็นผู้มีศีลพระราหุูเป็นผู้ปราลบความเพียรพระราหูเป็นผู้มีปัญญาทัานถือว่าได้เวลาที่จะตรัสรู้แล้วถ้ากระไรเราพึงแนะนําพระราหุูให้ยิ่งขึ้นไปในธรรมเป็นที่สิ้นอาสวะทั้งหลายอย่างนี้เป็นต้นพระองค์ก็ตรัสตามอัธยาศัยของ พระราหุลพอจบราหุโลวาทสูตรพระราหุลก็บรรลุเป็นพระอาหารหันต์เพราะแสดงตามอัธยาศัยของพระราหุลรู้เลยว่าเมื่อไหร่อย่างไรหรืออย่างที่สองเนี่ยนะอย่างธรรมจักรกับปวัตตนสูตรก็แสดงตามอัธยาศัยของพระปัญจวัคคีเป็นต้นเพราะท่านเหล่านั้นให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติ ที่บอกว่าอาวโสโคโดมด้วยกริยาอย่างนั้นด้วยปฏิปทาอย่างนั้นท่านก็ไม่สามารถจะบรรลุมรรคผลได้คือปฏิเสธเขาให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องข้อปฏิบัติมากท่านไปปฏิบัติอย่างนั้นนะท่านทำทุกกรกิริยาอย่างนั้น่ะท่านยังไม่บรรลุมรรคผลเลยคือเขามีอธยาสายว่าไอการบรรลุทำได้เนี่ยมันต้องทาทุกรกิริยา พระองค์ก็บอกว่าชี้แจงว่าไม่ใช่เป็นอย่างนั้นนะการตรัสรู้ตรัสรู้ด้วยอริยมรรคมีองค์8นั้นการแสดงตามเทว่าแก้ไขอัธยาศัยปรับอัธยาศัยของผู้ฟังอันนี้เป็นเป็นพระสูตรนะพระสูตรเลาใดที่เกิดจากอัธยาศัยของผู้ฟังเป็นประเภทเกิดจากอัธยาศัยผู้อื่นแต่บางสูตรก็เทวดาและมนุษย์เข้าไปเฝ้าแล้วก็ทูลถามปัญหา นะเช่นเทวตาสังยุตเนี่ยนะเทวตาสังยุตเนี่ยโดยมากเทวดามาถามนะเทวดามาถามปัญหาธรรมะในตอนกลางคืนประทมมยามผ่านไปก็คือหลังสี่ทุ่มไปแล้วเนี่ยเทวดานี่จะลงมาถามปัญหาธรรมะหรือบางทีในโพชงข้สังยุตเนี่ยนะโพชงข้สังยุตก็บางหลายๆสูตรก็เกิดจากคําถามหรือแม้กระทั่งมงคลสูตรเนี่ยนะเทวดาทั้งหลายเขาอยากรู้อะไรเป็น พหูเทวามนุษย์จะมังคลานิอาจินเดยงอกังคามนาโสถานังพรูหิมังคลามุตตะมังเนี่ยนะเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายผู้หวังความสวัสดีได้พากันคิดถึงมงคลคือเหตุแห่งความเจริญทั้งหลายขอพระองค์จงตรัสมงคลที่เป็นเหตุแห่งความเจริญแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเถิดพระองค์ก็ตรัสว่าอเสวนาจะพาลานังเป็นต้นเนี่ยนะหรืออย่างเช่นปราบปราภวะสูตรอเหตุแห่งความเจริญอะไรเป็นเหตุแห่งความเจริญ อะไรเป็นเหตุแห่งความเสื่อมพระองค์ก็สามารถแสดงเอามาแสดงว่าอะไรเป็นเหตุแห่งความเจริญอะไรเป็นเหตุแห่งความเสื่อมอะไรชื่อว่าเป็นธรรมะที่ทําให้คนเนี่ยเป็นคนถอยเป็นต้นจากคําถามที่เขาถามมาพระองค์ก็ตอบไปอันนี้เป็นพระสูตรที่เกิดจากการถามเนื่องด้วยการทูลถามบางสูตรเนี่ยนะบางสูตรนี่เกิดจากอะไรเกิดจากเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นอนไห จากเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมีธรรมทายาทสูตรปุตตะมังสะสูตรเป็นต้นอันนี้เกิดจากเหตุการณ์เรื่องราวที่เกิดขึ้นในธรรมทายาทสูตรเนี่ยนะพระพิสูจ์ทั้งหลายพอบวชเข้ามาก็เริ่มขวนขวายสแสวงหาลาบสการะสแสวงหา ปัจใจปัจใจสี่มัวแต่วุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องปัจจัย4เป็นต้นพระองค์ก็เลยมาแสดงว่าอย่าเป็นอมิทายาตเลยจงเป็นธรรมทายาธเธอเข้ามาอย่ามุ่งมารับมรดกปัจใจสี่เลยให้มารับมรดกธรรมเธอมารับมรดกโพธิปักขยธรร ม, มรับมรดกมรรคผลนิพพานเธออย่าไปสนใจอมรดกที่เรียกว่ามหาภูตรูปทั้งหลายเลย อ, นนอันนี้โดยอัฏฐะนะแต่หมายถึงการมคุณทั้งหลายหรือว่าปัจใจสี่ในปุตตะมังสสูตร หรือปุตตะมังสูปะมะสูดพระสูตรที่อุปมาเหมือนกับบริโภคเนื้อบุตรก็คือเนื่องจากพระพิสูจ์ทั้งหลายนี่มัวเมาในการบริโภคอาหารไม่มีการปัจเจกอะไรเลยเป็นต้นพระองค์ก็เลยแสดงพระสูตรเหล่านี้ตามาตามเรื่องที่มันเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็อาศัยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนั้นๆมาแสดงเรียกว่าอาศัยเรื่องราวที่เกิดขึ้นพันเหตุ ท, ที่ทําให้เกิดพระสูตรเนี่ยนะเหตุให้พระพุทธเจ้าแสดงธรรมมีสประการ ทวนอีกครั้งหนึ่งเกิดจากอัธยาศัยของพระองค์เอง 2. เกิดจากอัธยาศัยของผู้อื่นคือผู้ฟังสามเกิดจากเกิดจากการถามสี่เกิดจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นในตอนนั้นก็แสดงตามเรื่องราวที่ปรากฏขึ้นนั่นเองส่วนพุทธวงศ์นั้นเป็นคำภีที่เกิดจากเหตุเนื่องด้วยมีการถามจริงอยู่พุทธวงศ์นี้ ถามว่าเป็นการถามของใครตอบว่าเป็นคําถามของพระสารีบุตรเถระอย่างที่กล่าวไว้ในนิทานกถารัตนจงกรมว่าท่านพระสารีบุตรผู้มีปัญญามาผู้ฉลาดในสมาธิและก็ฉลาดในฌานผู้บรรลุสาวกบารมีด้วยปัญญาทูลถามพระผู้นําโลกว่าข้าแต่พระมหาวีระผู้สูงสุดแห่งนรชนอภินิหารของพระองค์เป็นเช่นไรเนี่ยนะ อภินิหารของพระองค์เป็นเช่นไรในหน้า13ใช่หน้าสิาหน้าสิที่พระสารีบุตรถามว่าข้าแต่พระมหาวีระผู้สูงสุดในนรชนอภินิหารความปรารถนาของพระองค์เป็นเช่นไรข้าแต่พระผู้แกล้วกล้าบพระโพธิยานอันสูงสุดคืออรหัตตมัคคยานสัพพัญยุตยานเนี่ยพระองค์ทรงปรารถนาะเอาไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่ ทานศีลเนคขมมะปัญญาวิริยะของพระองค์เป็นเช่นไรขันติสัจจะที่ฐานเมตตาและอุเบกขาของพระองค์เป็นเช่นไรข้าแต่พระมหาวีระผู้นำโลกบารมีสิบเป็นเช่นไรอุปบารมีสิบเป็นเช่นไรปรมัทธบารมีสิบเป็นเช่นไรอธิฐานอย่างไรความเป็นใหญ่อย่างไรบารมีเป็นอย่างไรพระจอมปราดในโลกเนี่ยนะเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเป็นอย่างไร เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาพรหมวิหารทั้งสี่ประการของพระองค์ที่ปฏิบัติมาเป็นอย่างไรพระองค์บำเพ็ญพุทธธรรมพุทธกัลกะธรรมคุณธรรมที่สร้างความเป็นพระพุทธเจ้าจนสําเร็จบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงเนี่ยเมื่อไร่แล้วก็อย่างไรพระองค์ก็ได้ตอบปัญหาเล่าถึงอดีตของพระองค์ให้ฟังเนี่ยนะท่านพุทธวงศ์นั้นจึงเกิดจากการถามของพระสารีบุตรเถระเพราะว่าพระสารีบุตรเป็นผู้ที่มี ปัญญามากผู้ที่มีปัญญาทั้งหลายเห็นอะไรเกิดขึ้นจะถามถึงเหตุเนี่ยนะผู้ที่ผู้ที่ไม่มีปัญญาต้องการแต่ผลอย่างเดียวผู้มีปัญญาทั้งหลายเขาจะสาวไปหาเหตุผลทั้งหลายย่อมไหลามาแต่เหตุเมื่อเหตุแบบนี้ผลแบบนี้ที่เกิดขึ้นมาจากเหตุอะไรหรือผู้มีปัญญาก็จะมองว่าตอนเนี้ยคือเหตุแห่งที่จะให้มีอะไรต่อไปใน อนาคตพันผู้มีปัญญาทั้งหลายสาวถึงอดีตเหตุปัจจุบันผลปัจจุบันเหตุและอนาคตผลเนี่ยนะคำถามจะมีประจําใจอยู่อย่างเนี้ยเนี่ยผลที่มีอยู่เนี่ยเกิดจากเหตุอะไรในอดีตเหตุที่กําลังทําอยู่กันตอนนี้เนี่ยจะมีผลต่อไปอย่างไรในอนาคตนี่คําถามว่าทําบุญอะไรมาเนาะจึงได้มาเรียนพระธรรมเหตุคืออะไรต่อไปแล้วมาเรียนพระธรรมแล้วจะมีผลอย่างไรต่อไปในอนาคตเนี่ยนะ แล้วเรียนให้เป็นอะไรในอนาคตอย่างไงเป็นตน้นเขาจะมองนะทั้งเหตุทั้งผลทั้งเหตุทั้งผลอยู่แต่ละทุกครั้งทุกอย่างที่เข้าไปเกี่ยวข้องอว่า น, นี้หยาบมากเลยนะคิดได้ขนาดนี้นะถือว่าหยาบที่สุดแล้วนะในบรรดาปัญญาทั้งหลายเพราะว่าระดับสูงเขาเอกเนี่ยลืมตาขึ้นเหตุยังไงอดีตอดีตปัจจุบันผลเนี่ยอดีตเหตุอย่างไรเมื่อเห็นปั๊บมีผลต่อไปอย่างไรใน อนาคตคูณอย่างเงี้ยกับทุกทวารทุกอารมณ์ทุกความคิดทุกปัสสะเวทนา น, นั่นแหละเขาจะเริ่มไข้คูณอย่างเงี้ยถ้าอย่างเงี้ได้ก็น่าจะมีแนวโน้มพอจะเห็นอริยสัจได้มีแนวโน้มประพิมประพรายอยู่บ้างแต่ถ้าคิดโอ้โนี่ได้ไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรจะไปทําอะไรได้ไม่รู้ใจเร่งไปยังไงใช่ไหม ในคัมภีร์โดยเฉพาะคัำพีอัตกระถาดีกาานั้นจะเน้นขยายศัพท์เนี่ยนะเน้นขยายศัพท์มิใช่น้อยคือให้รู้ว่าในพระไตรปิฎกนั้นหนึ่งคำเนี่ยแปลได้หลายอย่างอย่างนะอย่างวันก่อนนี้คุยกันคําว่าบางภาษาไทยเนี่ยแปลว่าอะไรบางบางนี่แปลว่าอะไรแปลว่าบอบบางใช่หมบางบา ง, บางใช่ไหม บางทีมแปลว่าพื้นที่เช่นบางปลาแก้วบางประกอกบางตลกรงบางบางโน่นบางนี่เนี่ยนะคำว่าบางเฉยเนี่ยภาษาไทยเนี่ยก็ไม่ใช่จะแปลได้ง่ายใช่ไหมเออเนี่ยบางนี่แปลว่าอะไรสมมติถ้าเราต้องคุยกับชาวต่างประเทศเนี่ยนะคุยว่าอย่างไงเนี่ยบางบางกระบือบางเนี่ยบางบอลบางปลากงบางประกอกบางปลาแก้วบางปลากงบางอะไรทั้งหลายบางๆงเนี่ยหรือแม้กระทั่งคําว่าเขา เอ้เขามันแปลว่าอะไรเอาสับโดดมาเลยเขาเอออยู่บนหัวมัง้งเอ้นกชนิดหนึ่งก็มีเขานกเขาหรือว่าอะไรหรือภูเขาหรือไม่ใช่เราอย่างเงี้ยนะมันก็เริ่มมีแล้วนะะบุคคลที่สามคือไม่ใช่เราอะ่ะหรือมั น, ม, นมันเยอะเหมือนกันนะสันใดก็ดีในพระไตรวิศก์เนี่ยมันมีคำประเภทแบบนี้เยอะมาก เพราะฉะนั้นคนที่เรียนบาลีใหม่ๆเห็นสับปั๊บแปลเลยบางทีอาจจะจําได้แม้แค่ประเด็นเดียวนี้ก็แปลออกไปเลยอาจจะไม่รู้ความหมายที่แท้จริงเช่นคําว่ากับเช่นว่าคำว่ากับเนี่ยนะกับศับเนี่ยในพระไตยปดกสามารถแปลว่าเชื่อมั่นก็ได้แปลว่าโวหารก็ได้แปลว่าการก็ได้แปลว่าบัญญัติแปลว่าตัดแต่งแปลว่ากําหนดแปลว่าเล่หแปลว่าโดยรอบแปลว่าอายุกับหรือแปลว่ามหากลับเป็นต้น คิดว่าอาเนกัตถะว่างอันสับที่มีความหมายไม่ใช่หนึ่งมีความหมายร้ายอย่างมากเพราะฉะนั้นต้องการแปลพระไตรปิฎกเนี่ยสำคัญว่าอธิคถาให้คําจํากัดความศ่าสับเนี่ยควรจะแปลว่าอะไรนั่นแหละจริงจะแปลถูกต้องอย่างเช่นคําว่าสัตตะนะขามาเคยเห็นนะสัตตะอนุปัสนาเขาบอกว่าเจริญสัตว์เจเออเจริญสัตว์คืออนุปัสนาเจ็ดนะเจริญสัตว์อนุปัสนาเจ็เออเอเจริญสัตว์อนุปัสนา หรือว่าเจริญอนุปัสนาเห็นว่าเป็นสัตว์กลายเป็นอย่างเงี้ยเขาแปลแบบนี้ก็มีซึ่งสัตว์ตัวนั้นอ่ะสัตตาถ้าบอกว่าสัตตาอนุปัสนาเนี่ยก็คืออนุปัสนาเจ็แต่เขาบอกว่าตามเห็นโดยความเป็นสัตว์ก็มันก็อนุปัสนาแปลว่าตามเห็นนีสัตตาแปลว่าเจ็บก็ได้แปลว่าสัตว์ก็ได้นะสัตว์โตนี่แปลว่าผู้คล่องก็ได้เพราะฉะนั้นการแปลสัตว์เหล่านี้บางทีก็มีปัญหาเหมือนกันเพราะน แต่ถามแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าคําที่ถูกต้องก็ต้องดูเนื้อหาในเรื่องนั้นเขาเขาต้องการนาเสนออะไรอย่างเช่นการศึกษาพระธรรมเนี่ยหลายๆคนคิดว่าเรียนสับอย่างเดียวแล้วจะพออันนี้ไม่พอแน่นอนเพราะการศึกษาพระธรรมที่จะให้เข้าใจลึกซึ้งได้ดีหนึ่งต้องรู้จากว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านต้องการอะไรท่านจึงออกมาแสดงคำสองวัตถุประสงค์ของคําสอนแต่ละสูตรพระองค์ขายอะไรกันแน่ คงต้องการอะไรแล้วก็3ผู้ที่เขาฟังตอนนั้นแล้วเขารู้อะไรก็เรว่ามองทั้งในส่วนพระพุ้เปเจ้ามองทั้งในส่วนพระธรรมและมองในส่วนของพระสงฆ์แล้วก็อ่านพระสูตรคือคือมองมอง3ส่วนมองให้เห็นพระธรรตรายกับทุกสูตรถ้าอย่างนี้ก็ไม่ค่อยเข้าใจผิดเท่าไหร่พระผู้เปเจ้าตรัสรู้อะไรต้องการอะไรสอนอะไรพระธรรมมีความมุ่งหมายอย่างไรแสดงทําไมแสดงให้เรารู้อะไ ร, ระข้อ3พระสงฆ์ที่เขาบรรลุเขาบรรลุว่าอย่างไร เขาบรรลุอะไรเขาคิดอะไรทําไมเขาจึงบรรลุเนี่ยนะก็คือถ้าเราียกว่าฟังปั๊บเห็นจบฟังจบสูตรเห็นพระพุทธเห็นพระรัตนตรายก็ถือว่าประสบความสําเร็จครึ่งหนึ่งไปแล้วเนี่ยนะแต่ถ้าบอกเอ้ดีก็แล้วกันนะถ้าอย่างงี้ก็ก็ดีกว่าไม่เรียนนะะก็เรียนต่อไปเถอะองงขอเรียนอะไรนี่จะรีบไปไหนอ่าลกตัวอย่างในกับปะสับนะกับเนี่ยแปลว่าเชื่อมั่นก็ได้ในพระตไตรปิฎกยกตัวอย่างมาเป็นว่า โอกลับ ป, ปณิยเมตังเนี่ยนะโอกลับ ป, ปะเนี่ยนะโอกลับ ป, ปะตัวนั้นก็มาจากกลับ ป, ปะโอกลับ ป, ปณิยเมตังเนี่ยอธิปแปลรวมๆ ว, ว่าข้อนี้พึงเชื่อมั่นต่อท่านพระโคดมเหมือนอย่างพระอาหารหันตสัมมาสัสมพุทธเจ้าได้ก็คือเชื่อมั่นได้เลยว่าเออเนี่ยพระพุทธเจ้าว่างั้นเถอะเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้นั้นโอกลับ ป, ปณิยเมตังเนี่ยกลับปะก็แปลว่าเชื่อมั่นก็ได้ หรือบางทีกลับแปล ว, ว่าโวหารก็ได้เช่นอนุชานามีพิฆเวปันเหตุสมณะกับเปเหตุพลังปริพุนชิตุงดูก่อนพิสูจทั้งหลายเราอนุญาตให้ฉันผลไม้โดยสมณะโวหารโวหารก็คือกับปะเนี่ยน ะ, ะกับเปยังกะโรหีท่านทํากับเปยังหรือ ย, ยงังกับเปยังพันเตแล้วก็จิ้มไปนั่นแหละกับเปยังอนะกับปะตัวนั้นแหละจะได้ว่าทำให้สมควรเนี่ยนะโวหารตัวนั้นเราจะทำให้สมควรทําให้เป็นผลไม้ที่ฉันได้ใช้ได้ บางทีกับนี่แปลว่าแปลว่าเวลาก็ได้นะการเวลาเช่นเยนะสุทังนิจจกับปังวิหารามิเราจะอยู่ตลอดกับเป็นนิดด้วยเหตุใดเป็นต้นอันนี้ก็กับนิจกับปังเนี่ยนะบางทีกับก็แปลว่าบัญญัติคือเป็นชื่อของพระเทรารูปหนึ่งเช่นพระนินโครกับปะนิโครธ ก, กับปะเนี่ยนะที่เป็นอาจารย์ของพระพระวังคีสะเนี่ยนะท่านนิโครธกับปะอาจารย์ของพระ บางคีสะเทระหรือบางทีกลับแปลว่าตกแต่งก็ได้ตัดผมเนี่ยนะเช่นกับปิตะเกสะมัสสุก็ว่าตัดแต่งหนวดเนี่ยนะแปว่าตัดก็ได้กลับปบแะแปลว่ากําหนดก็ได้เช่นกําหนดว่าการเนี่ยเกินสองนิ้วย่อมควรคือเขาแอบไม่ใช่เดิมนะเกินเกินสองนิ้วก็ควรคือบางพวกเขาบอกว่าถ้าจะฉันเนี่ยนะบ่ายสองแล้วก็ควรเออบ่ายสองก็ยังฉันได้นะเกินสองนิ้วก็ได้ใครว่ากลับปะ แต่วังกุละกับโปอันนี้เป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดการสังขยาครั้งที่สองเนี่ยนะที่เรียกว่าพิสุเมืองภัยาลีบัญญัติสิบประการขึ้นมานันนะหรือบางทีกับแปล ว, ว่าเล่ก็ได้เช่นอธิขโปโณนิชนี่ปัจ ช, ชิตุงมีเลศนอนได้แลว้วน่ น, นะอ้างเลศนะกับปะแปล ว, ว่าได้เหตุอันสมควรนอนได้ หรือกับปะแปลว่าโดยรอบก็ได้เช่นเกวละกับปังเชวนาเชตวนางโอภาเศตวาเนี่ยน ะ, ะเช่นเมื่อปฐมมายามล่วงไปแล้วเทวดาตนหนึ่งยังชเชตวันทั้งสิ้นให้สว่างสวัยเนี่ยเกวละกับปังนะยังเชตวันทั้งสิ้นให้สว่างสวัยเช่นในมงคลสูตรหรือบางทีก็แปลว่าอายุกับปะหมายถึงอายุกับเนี่ยนะแปลว่าชั่วอายุเนี่ยเช่นสมัยไหนคนอายุร้อยปีก็เรียกว่าชั่วอายุ100ร้อยปีเรียกว่่วอายุกับเนี่ยนะ เช่นติทัตุพันเตพระกวากับปังติทฐตุพันเตสุขโตกับปังพระอนุ์ขอร้องนิมนต์พระพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคเจ้าปโปรดทรงดำรงอยู่ตลอดอายุกับขอพระสุคต์ปโปรดทรงดำรงอยู่ตลอดอายุกับเธอพระเจ้าข้าที่พระอนุนให้นิมนต์พระพุทธเจ้าให้ดำรงอยู่ชั่วกับนะหมายถึงอายุกับส่วนบางทีก็หมายถึงมหากับเช่นในอนัมตักขะสังยุทธ์พระภิสุมาถามว่า กีวะทีโคนุโขพันเตกับโป้คแต่พระองค์ผู้เจริญกลับหนึ่งี่มันยาวเพียงไรพระเจ้าค้าพระองค์ก็อุปมาว่าเหมือนอย่างว่ามือนอย่างว่าอะไรภูเขาหินแท่งทึบสูงยาวกว้าง16บซอกเอ่อสิหนึ่งโยต์อ่ะนะโยตหนึ่งสิกิโลเมตรเนี่ยแล้วก็ร้อยปีมีผู้ที่เอาผ้าเนื้อละเอียดไปรูปสักทีนึงหรือไปปัดสักทีหนึ่งเรียกว่าเต้นเสมอแผ่นดิน แล้วเขาบอกว่ากับภูเขาลูกนั้นสิ้นไปก่อนแต่กลับยังไม่หมดเลยกับมันนานขนาดนั้นและมาหากลับเนี่ยบางทีก็แปลว่าเทียบเคียงก็ได้นะกับแปลว่าเทียบเคียงเช่นกับแปลว่าเทียบเคียงมาคําว่าสัตว์กับเปนณวะตะกิระเป็นต้นท่านผู้เจริญเขาว่าเมื่อเทียบเคียงกับพระศาสดาพวกเราปรึกษากับสาวกก็ไม่รู้ เนะพราะบางอย่างเนี่ยมันเทียบเคียงกับระดับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าด้วยกันรจริงจะเข้าใจระดับเราไม่รู้หรอกบาทีกัปปะแปลว่าเทียบเคียงบางทีนี่แปลว่าควรต่อแก่พระวินัยก็เหมือนกันเช่นกัปโปนัทโทโหติกัปปะกัตโตกาโสชินโหโติแปลว่าความสมควรแก่วินัยก็เสียไปโอกาสที่จะทําให้สมควรแก่วินัยก็เก่าไปคือถ้าใครใช้ฉบับพมา่าเนี่ยนะเล่มพ ม, ม่าก็มี ที่เรียกว่าคัมภีมีประมาณ20บเล่มเล่มนั่นนโตโตเลยนะที่เรียกว่าใช้คัมภีที่ยกศัพท์ศัพท์หนึ่งศัพท์เนี่ยมีอะไรบ้างนะเขมีมีที่ฉบับภาษาพม่ามีเช่นว่ากับ1ศัพท์เช่นจะศัพท์ในพระไตรปิฎกมีกี่ความหมายก็ยกมามีที่ไหนบ้างเนี่ยนะเยอะแยะไปหมดเลยหรือแม้กระทั่งคําว่าอภินิหารเนี่ยอภินิหารเนี่ยในที่เรียกว่าประธานุกรมพระไตรปิฎกนะใช้คําว่าประธานนุกรมพระไตรปิฎกเล่มนั้นนะ ข้างหลังมามลางมีสองเล่มทั้งหมดมีอยู่4ี่สิบเล่มใครแบกยี่สิบเล่มไหวนี่ก็ถือว่าแหมคนมีกำลังมากเลยแะถ้าใครยกอ่านได้ครึ่งชั่วโมงก็ถือว่ามีมแด่ผู้มีกำลัง <c oughs> คือเล่มหนามากนะคือมีอยู่ยี่สิบเล่มภาษาไทยแปลได้สามเล่มเท่านั้นเองแล้วก็โครงการก็เป็นอัญญุติเอวังส่วนภาษาอังกฤษนี่เขามีครบ ภาษาพมา่าเขามีครบอังกฤษนี่แปลออกไปจากภาษาพม่าเขารวบรวมเลยเขาใช้ภาสาพัทถระของพมา่าในยุคก่อนเนี่ยนะยุคก่อนพศสอ0พอเนี่ยทํากันยิ่งใหญ่ใหญ่โตเลยก็ทํากันเป็นใหญ่เป็นโตมากก็คือว่าสัพ์แต่ละศับในในพระไตปรปิฎกอัตถกาถาดีกาเนี่ยหนึ่งคำแปลว่าอะไรบ้างสามารถแปลได้กี่ในเนี่ยนั้นใครที่จะค้นคว้าระดับนั้นก็เขาเคยมีบางคนนี่เขาบอกว่าแม้เจอ เจอการศึกษาในยุคนี้อายุเราน่าสักหมืน่นปีเท่าันจะได้เรียนให้มันกว้างขวางที่สุดแต่ว่าอายุมันน้อยเกินไปนะเหมือนปลาน้อยในท้องทะเลใหญ่เชนั้นนะเยอะจริงๆนี่ก็เพราะฉะนั้นถึงจะมากมายขนาดนั้นก็เพิ่งถือเอาอะไรที่พอจะเป็นสาระช่วยเหลือแก่ชีวิตต่อไปในอนาคตต่อไปเธอเนี่ยก็จับความมุ่งหมายของตัวเองให้ดีบางคนมาเจอโอ้โหเจอศัพ์เจอแสงเจอคมภีเข้าบอกโอ้ยนี่ถ้าไม่เรียนบาลีไม่รู้รอก ลงไปเรียนบาหลีคงว่า โ, โตโลเลยแหละสิบปีมันจบสักทีเลยนะโอ้ยบางทีมันต้องอภิธรรมเอาไปเอามาบอกโอ้ยมันต้องอภิธรรมมัณฑิตมันจึงจะเจ๋งเจ็ดปีเออเจ็ดปีกับหกเดือนอนะกว่าจะจบอภิธรรมบัณฑิตบาหลีอีก8ปดปีโอ้ยมันไม่ได้มันต้องไปโน่นนะเอาโน่ น, เ อ, นเอานี่ไปตายเป็นไงเมื่ อ, อไหร่ก็ไม่รู้บางทีก็ต้องจับประเด็นของชีวิตในการศึกษาแระทำให้มันถูกต้องนะมาใช่ไปไลฟ์ไปตามคําโฆษณาอันเขาว่าดีอ้าวเข้าไป อันนี้ก็ว่าดีก็ว่าไปคือมันทุกอย่างมันดีจริงอย่างเขาว่าเขามาไม่เถียงหรอกแต่ปัญหาว่าน้ําแก้วน้อยอย่างเงี้ยน้ํามันแก้วน้อยเนี่ยมันจุอะไรใส่น้อครั้งแรกที่มาศึกษาพระไตรปิฎกเนี่ยนะโอ้โหอันนั้นก็ดีอันนี้ก็ดีอันนั้นก็ดีอันนี้ก็นนกนนกไม่เลว้หยแต่ว่าเอาไงดีกันนี้เอาเป็นว่าเราต้องการอะไรมากกว่านะแล้วก็หลายๆเรื่องก็ขยันอ่านให้มันมากเข้าว่าเรื่องเดียวอย่าไปอ่านที่เดียวอ่านหลายๆคัมภีรก็แล้วกัน ก็เลยทําให้พอไปอ่านเรื่องไหนก็สนุกไปทุกเรื่องอนะเสียดายว่าเวลามันน้อยไปหน่อยแค่นั้นเองอนะว่ า, เ, าเล่มนั้นก็ดีเล่มนี้ก็ดีเล่มนั้นก็ไม่เลวเล่มนั้นก็กลับไปอ่านใหม่ก็ดีอีกไงนะทำไมเราไม่เห็นประโยคตรงนี้อย่างเงี้ยหนักๆเข้าอ่านแล้ทาสีก็ให้เสร็จเลยแค่นี้สบายวัหลังก็ใช้เวลาดูนิดเดียวหนังสือเข้ามาเนีทาสีมากเปลืองสีมากเกือก การศึกษาโดยเฉพาะพระธรรมเนี่ยนะเราต้องพยายามศึกษามุ่งหาพระรัตนตรัยเธอถ้าถ้าศึกษาในโลกของตำราเนี่ยนะตำราศาสนาไม่มีศาสนาไหนเกินศาสนาพุทธเนี่ยนะทางเอาฉบับภาษาบาลีฉบับภาษาไทยปิ๊กอัพขนไม่หมดปิ๊กอับรรทุกนะเรต้องแบบหกล้อนั่นแหละจึงจะบรรทุกหมดนะแล้วก็แต่ละอย่างเนี่ยมันต้องจำทั้งนั้นเลยมันไม่ใช่แบบอ่านนิยายสาอ่าอ่านนิยายแบบ นิยายจีเนเ่ยนะนิยายกำลังภายในอ่านเอาเรื่องสนุกไปเรื่อยไม่ใช่มันต้องจําเกือบซะทั้งหมดมันต้องรู้จําแบบจําแผนจําอะไรเนี่ยนะมันต้องใช้ความจําใช้อะไรเยอะมากท่านก็พยายามที่ก็มาจึงพยายามพูดคุยเสมอว่าเราเข้ามาในศาสนาเราเข้ามาทําไมเนี่ยนะมาหาอะไรเนี่ยนะต้องจับประเด็นตรงนี้เข้าไว้ก็เหมือนกับเราเข้าไปในห้างใหญ่ ใ, หญใช่ไหมมีสินค้าเต้มไปหมดแต่ละอย่างนี่สวยหมดเลยอย่างนี้ เอ๊ะมหาเสื้ออะไรกันแน่ชันใดเข้ามาในศาสนาก็เหมือนกันน่ยนะในมิลินทปัญหาเนี่ยเดี๋ยวอนาคตจะได้บรรยายถึงละคือพูดถึงพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นเหมือนเมืองเ ม, มืองหนึ่งพระพุทธเจ้าเป็นพระราชาเนี่ยนะเขามีตลาดมีปุโรหิตมีทหารมีอามาตมีองค์ครรภมีสินค้ามีในตลาดก็เรียกตลาดอริยเจ้าเนี่ยมีเต้น น, นะมีเช่นรัตนะมาวางคือสติประธานส ม, มับพทานอิทิบาตเขาสร้างเป็น เรื่องอะนะมิลินะปัญหาเนี่ยกล่าวไว้ดีนี่ก็คิดว่าคงปีหน้าอาจจะได้บรรยายแต่ไม่ใช่ที่นี่หรอกนนั้นนะบรรยายอยู่ที่อื่นแต่เล่าให้ฟังอะนะบอกเราไม่ได้เลยเหรอ <c oughs> <c oughs> คือพูดถึงว่าคืออย่างนั้นจริงๆว่าการศึกษาพระธรรมเนี่ยจะต้องมันศึกษาให้ให้พยายามจับประเด็นให้ให้มากที่สุด แม้กระทั่งว่าคนที่ไปพูดถึงคนที่จะไปอินเดียก็เหมือนกันไปไหว้สังเวชนียสถานเนี่ยก็เหมือนกันไปตอนแรกจะไปไหว้สถานที่พระพุทธเจ้าตัสรู้ไปเข้าจริงๆไม่ใช่นะไปหาช็อปปิง้งนะนะบอกโอ้โหอะไรลงทุนค่าเครื่องบินไปช็อปปิ้งเนี่ยนะแล้วได้อะไรมาบ้างแล้วแล้วซื้อบางอย่างมาเนี่ยเคยเอามาใช้บ้างไหมบางตนนะันี่ยคือกลายเป็นว่าประเด็นมัไปนั่งต่อรองเรื่องอะไรอยู่ก็ไม่รู้ เรื่องที่ไม่ควรจะได้ก็กลับไปไปขวนขวายเอาจริงเอาจังไอ้สิ่งที่ควรได้ก็ไม่ได้สิ่งที่เป็นสาระก็กลับไม่ได้เป็นสาระเหมือนกันการศึกษาพระธรรมก็เหมือนกันต้องแสวงหาสาระพยายามจับประเด็นให้ดีๆเนี่ยนะจับประเด็นตั้งจุดมุ่งหมายตั้งเป้าหมายให้มันชัดเจนเลยนะบางคนบอกว่าไปอินเดียนี่ขาดทัศมาฮานได้ยังไงเพางั้นเนี <c> ่ <oughs> ให้ความสําคัญมากก็ <c oughs> ขนาดว่าบอกทัศมาฮานคืออะไรออก็บอกว่าก็คือหลุมฝังศพดีๆนี่แหละ ฟังมหาพูดคนสร้างทํายังไงก็บอกมีอยู่ข้างๆกันแหละถูกอยู่ในคุกเพื่อจะดูที่ฝังศพเหมือนไงก็ไม่แค่นี้สาระของเรื่องจริงๆไม่ได้มีอะไรมากมายไม่เหมือนกับคําสอนแต่คําสอนเนี่ยถ้าศึกษาแล้วผิดประเด็นเหมือนกันนะเราก็ไม่รู้ว่าศึกษาให้เป็นอะไรแล้วเราต้องการอะไรจากคําสอนบางทีศึกษาไปแล้วเนี่ยนั่นหนึ่งที่น่าเช็คสําหรับคนที่ศึกษามานานๆอย่างที่กล่าวไปแล้วว่า ทุกปีทุกปีที่เราศึกษาเนี่เราเลื่อมใสในพระพุทธเจ้ามากขึ้นไหมกรรมบทกุศลกรรมบทเราแน่นขึ้นไหมพรหมวิหารดีขึ้นไหมที่พระวิหารดีขึ้นไหมอริยวิหารดีขึ้นไหมเพราะว่ามันเหมือนกับอย่างที่เขาพูดขำๆอยู่เรื่องหนึ่งเขาบอกว่าเป็นผู้สร้างเมืองแต่ไม่มีบ้านอยู่ก็ะมาณเพราะไม่ได้สร้างบ้านสร้างแต่เมืองเขาบองั้นนะแต่อันนี้เป็นเรื่องจริง พรสร้างเมืองมาหลายเมืองแล้วแต่ว่าไม่มีบ้านอยู่ก็ไม่ได้สร้างบ้านก็งั้นการศึกษาพระธรรมเนี่ยที่สําคัญเนี่ยเหมือนกันเลยนะถ้าเราบางทีเนี่ยเรียนแต่พระธรรมแต่ว่าไม่ได้อยู่ด้วยพระธรรมคือไม่มีคุณธรรมเป็นเครื่องอยู่จะต้องสร้างเรียนจนสามารถมีคุณธรรมเป็นเครื่องอยู่ว่าเราเราจะอยู่ด้วยอะไรคิดว่าชีวิตนี้เราจะอยู่ด้วยพุทธานุสติละจะอยู่ด้วยธรรมานุสติหรือจะอยู่ด้วยสังขานุสติหรือจะอยู่ด้วยศีลานุสติหรือจะอยู่ด้วย พรมวิหารอยู่ด้วยเกสินทั้งหลายอานาปาณาสติหรือว่าจะอยู่ด้วยอนุปัสนาทั้งหลายจะต้องเรียนจนสามารถสร้างที่อยู่ให้แก่ใจตัวเองได้เนี่ยนะนั่นจึงจะเป็นวัตถุประสงค์ของคาสอนแต่ว่าที่สำคัญก็คือมีที่อยู่แล้วพ้นภัยมีที่อยู่ที่ปลอดภัยโดยเฉพาะสูงสุดคืออริยวิหารเนี่ยนะจะสร้างที่อยู่ให้แก่ใจของเราได้อย่างไรไกลามากแล้วมันจะไม่จบนะเนี่ย